โอ้มีลูกเล็กๆเหรอทำกรรมฐานง่ายไปดูเลยลูกเราเนี่ยเห็นไหมทำใจเรากระชอกไปกระชอกมาได้ทั้งวันนะนะตามดูไปไปเลี้ยงลูกไปนั่นแหละทำกรรมฐานนั่นแหละดีที่สุดเลยง่ายสังเกตียดไหมลูกเราเรารักที่สุดเลยแต่เราโมโหบ่อยรู้กไหมเนี่ยเวลารู้สึกรักขึ้นมาก็รู้ทันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันดูไปเรื่อยๆงั้นเอาลูกเราทากรรมฐานนะ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 ค่ะบ้างค่ะพยายามทําทุกวันนะค่ะแล้วลฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันเพราะอยู่ไกลหลวงพ่อมากอยู่อยู่ที่อังกฤษค่ะเล้อยู่ไกลจริงค่ะวันนี้เลยมีเกิดปิติค่ ะ, คะ <S <S ได้มาสการ่าหลวงพ่อถึงที่นี่ได้มากราบหลวงพ่อ <S <S ดูเอานะา <S <S มีธรรมะเป็นที่พึ่งนะมีสติ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 เบอร์18นี่เหมือนมีคนโซโล่กลองชุดอยู่ในใจฮะตุมๆๆๆๆเลยฮะแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้มาครั้งแรกครับควรลงพนอตรวจการบ้านหน่อยใช้ได้พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนะแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายครรู้อะไรเกิดขึ้นในใจครรู้ไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก็แบ่งเวลาไว้หน่อยนึงนะวันหนึ่งสักสนาทีหรือ15นาทีไม่ต้องเยอะหรอกวพระสวดมนต์นั่งสมาธิไป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 พูดออกแล้่ ะ, ะพูดออกแล้วพูดมาตอนแรกแล้วฟังซีดีหลงพบอลแล้วไปทำรู้ลองไปทำรัวมันเห็นกายไม่ใช่เราอเห็นกายไม่ใช่เรามันรู้สึ ก, กโกรธโกรธมันไม่ได้ทำต่อจ้ะค่ะทำสิอย่าไปกลัวมัน <c oughs> นั่นแหละทำเก่งถึงจะเห็นนะแลค่ะถ้าเห็นมากๆานะต่อไปไม่ยึดถือมันหรอกมันไม่กลัวแล้วต่อไปมันเป็นกลาง